ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณะนนทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่สิบเจ็ดกระกฎาคมสอง7ห้ายี่ิเจ็ดตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนิกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถึงหมายเลขสามและเข็ยมยาวถึงหมายเล็หนึ่ง ก็แสดงว่าสารนาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตีสองลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมรู้ว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจ แต่ว่าอยู่ในรีทในรอยของคนทํางานตามเวลาคําว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทํางานให้เสร็จเพราะว่ า, าเกษตรนี้เป็นเกษตรหน้าที่สี่เป็นเกษตรที่สองหน้าที่สองของของเกษตรที่สองคิดว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องทําให้เสร็จ ท, ทั้งที่ป่วยไข้ามาสมบายก็เป็นของไม่แปลกหรือ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักลวงก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้ามาสมบายวันนี้รู้สึกว่ามากมากจนกทั่งลงรับแขกไม่ไหว ชาวสามพรานมากันเจ็ดสิบคนเสรผมก็ลงพบไม่ได้แต่ถามว่าทำไมจึงบันทึกเสียงได้ที่การบันทึกเสียงได้ก็เพราะว่าผมนอนบั่งนั่งบั่งผมมีแรงนิดหนึ่งก็ลุ ก, กมาบันทึก สำหรับเทพภาพลืม เ, เปิดภาพก็ขอให้บอกบอกให้ทราบว่ายังไม่เข้าเรื่องเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ก็คือว่านิาพพานมีสภาพไม่สูญนี่ก็มาวัดความเร็วของผมอีกผมก็เร็วตามเดิมความจริงผมเร็วเรื่องนี้มานาน ได้ว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานศูนย์และตำราที่ผมเรียนก็นิพพานศูนย์ผมก็เลยแนะนำบรรดาญาโยามพุทธบริษัทว่านิพพานศูนย์และเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนว่านิพพานศูนย์ เวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานโซนรวมความผระรมเลวถึงขั้นเต็มขั้นแล้วต่อมามาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านท่านยืนยันว่านิพพานไม่โซนเราเหโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนี่เปิดเผยหนักหนักกว่าคน อ, อื่น ก็คือหลวงพอ่อสดวัดปากนาภาสีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพอ่อสดอยู่ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุผมไปหาท่านท่านก็บอกวันนี้ผ่านไม่สนแล้วแถมท่านก็นยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ ผมไปพระนิพพานมาพระนิพพานนี่พระทิพี่พรนิพพานนี่มีร่างกายเป็นแก้วหมดวาผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้ก็ อ, อันดับผานทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพพาน แต่ในที่สุดท่านก็แนะนำว่าการที่จะรู้จักนิพพานจริ ง, รงๆเขาทำกันยังไงก็นำแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้วค <c oughs> นที่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มี มั่นใจว่านิพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเราจะสามารถปนิพันธ์ในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มีโ <c oughs> ดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้น หลังจากตายจริงๆวาระที่สามไปพบที่พานจริงๆยจ่ ง, จงได้มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความมียามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดิน วันนี้ถึงตรงนี้เราพักหายเหนื่อยมีกำลังมีมีทุนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทุนต่อไปสะสมทุนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทุนแล้วก็หยุดที่นั่นสะสมทุนต่อไปข้อนี้ชั้นใด แม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพ้นิภพานก็ชินเดียวกันถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภะความโลภ ก, ก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมือม่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไป มาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมดเราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไม่สนแล้วผมก็อยากขอคุยให้พวกคุณฟังในเมื่อจบเรื่องต่างๆนี้แล้ว อดิสองของมโนยิธิมาจบไปแล้วจะคุยถึงประวัติของผมที่เคยตายมาแล้วหลายครั้งการตายหลายครั้งเป็นของดีตอนนี่ก็มาพูดกันถึงนิพพานว่าทำไมนะท่านจึงบอ ก, กว่านิพพานศูนความจริงผมก็โง่ต่อไปคิดไม่ถึงว่าคนโง่ประเภทนั้นมี ไอ้ผมนั่ ง, งโง่มาแล้วแล้วโง่คนเดียวไม่พอสอนให้ลูกศิษย์ตูส้สาโงโดา่ด้วยวิผ่านศูนย์แล้วก็เทศบรรดาญาโยงพุทธบริษัทมีความเข้าใจวิผ่านศูนย์ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมก็งโง่ตามท่านงโง่ใครจะงโง่ผมไม่สัาบ เพราะผมอ่านหนังสือหนังสือนั้นไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ครูสอนนักธรรมของผมท่านก็นเลยเอามาสอนผมเหมือนกันผมไม่โทษพระใจงโลเพราะว่าท่านคิดท่านสอนตามหนังสือการเ ย, ยนิพานเป็นของยากมันดาเพื่มเป็นโสสมนีนใรมั น, น, มนดยาแยกโยมพุทธบริษัทพึ่งเข้าใจตามนี้ว่าร่างกายของคนและร่างกายของสัตว มีความหยาบ ก, กว่าผีมากคำว่มมาผีก็หมายถึงส ม, มเวสีบงังอสุรกายบางังเปรตบานจะพวกที่เบาอย่างปลัดตะตัวปีวีเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายบางกว่าเราคนหรือสัตว์ถ้าผีหรือเปรตเรื่อสุรกายไม่ต้องกายไม่ต้องการ ใ, ให้เห็น คนไม่สามารถจะเห็นได้เลยแต่ว่าเขาสามารถจะเห็นคนได้ที่แสดงว่าเราหยาบกว่าเขาตาของเราใช้อะไรไม่ได้มาพูดถึงผีก็ดีสุรกายก็ดีเปรกก็ดีก็มีร่างกายหยาบกว่าเทวดาถามว่าเทวดาชั้นไหนผมก็ต้องตอบว่าตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไป ท่านมีร่างกายละเอียดกว่าผีท่านพวกนี้ถ้าว่าท่านไม่ต้องการให้ผีเห็นผีไม่สามารถจะเห็นท่านได้เลยและสำหรับเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าพรหมพรหมมีร่างกายละเอียดกว่าถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็ไม่สามารถจะเห็นได้เลยสำหรับพระอริยเจา้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ที่ไปนิพพานแล้วมีร่างกายนี้อีกกว่าผมถ้าไม่สามารถเจพรมเห็นพรมก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยนี่ตามคุณสมบัติร่างกายแต่ละฝ่ายมีความละเอียดระยาบไม่เสมอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาขอพูดเรงลีลาการปฏิบัติพระกรรมฐาน จะเป็นในรูปไหนก็ตามย่อมมีผลเสมอกันเพราะว่าถ้ามีจิตสะอาดพอคําว่าจิตสะอาดพอนี่ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีลดีสมาธิดีปัญญาดีแล้วตัดความตนีได้นั่นคือไม่มีความโลก ทั้งหมดนี้ถ้าดีจริงๆแล้าดีท่านขั้นโลกีถ้าดีขั้นโลกีขนาดต่ำก็สามารถถ้าจิตเธออาจขั้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได้แต่ไม่สามารถจะเห็นผมได้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมโนยิทธิหรือปัญญา ก็ไม่ไปส า, ส, าสามารถจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถจะไปพรมได้ท่านที่ฝึกทิศ ก, กุญญานในดัหลักวิชาสามก็สามารถอย็นเนือแค่เทวดาไม่เห็นพรมถ้าจิตเสีออายกว่านั้นมีความเข้มแข็งในสมาธิดีกว่านั้นเป็นกำลังชาญทรงตรัวตตามเวลาสงควรไม่มากนัก สำหรับท่านที่จรเิญในหลักสูตรของวิชาสามได้ทิพย์ขืญยานกำลังจิตเป็นฌานสามารถจะเห็นพรหมได้แล้วพูดกับพรหมก็ได้ท่านที่ได้มโนยุทธิมีกำลังเป็นฌานฌานเข้มแข็งสามารถจะไปเขตของพรหมได้ ท่านที่มีความสามารถมีจิตสะอาดมีความเข้มแข็งจิตสะอาดตา อ, อันดับอย่างต่ำเฉพาะเวลาสะอาดเท่าพระโสดาบันขึ้นไปสะอาดเท่าขันระโสดาฤิทธิธาคาอย่างนี้หากว่าท่านเจริญแบบที่กุ ย, ยานในฝ่ายของวิชาสาม ท่านสามารถจะเห็นิพพานได้เพาว่าท่านฝึกโมโนยทธิก็สามารถจะนิพพานได้และเข้าเขตนิพพานได้โดยเฉพาะเฉพาะที่ท่านฝึกมโนยุิเข้าเขตนิพพานได้แต่ว่าไม่สามารถจะนั่งเล่นนอนเล่นในวิมานที่นิพพานได้แต่ว่าถ้ากาลังใจของท่านเวลานั้นสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นไม่มีกังวลไม่มีความโลภ ก, ก่อจิตไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหรือไม่มีราคะความกำหนัดจินดีในโลกใน <c oughs> อย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้เฉพาะเวลา <c oughs> เวลานั้นถ้านจะเข้าเขติพันธ์ได้แล้วก็เข้าไปในวิมานได้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างเป็นสุข นิร บ, บ, นบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนินแล้วบาสุปุมาสิกาญาติโยมที่รักความจริงเรื่องของพริาพานนี่มีตามที่พระเจ้าทรงตรัสแต่ด้ว่าคนเห็นนิพาพานมีไม่ใช่ไม่มีแต่คนเห็นนิพาพานจริงๆท่านไม่คยจะพูดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านลำคาญ แต่บางคันบรรดานักปราดที่ไม่เอาไหนทำตนเป็นศาสนาแต่วจริยาใช้อะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าถือตำราเป็นสำคัญฉนันอ่านตำราเก่งก็แล้วกันดีไม่ดีก็ทำลายพระพุทธศาสนาเช่นด้วยที่ว่าทำลายพระพุทธศาสนาก็นั่นหมายว่าอ่านไปอ่านมา นักนักเข้ากับหมดความเชื่อถือเลยไม่เชื่อทำรราเพราะพะุทธเจ้าเทศน์ว่าการตายแล้วเกิดท่านก็ใช้อารมณ์ของท่านทั้งความตายตายแล้วไม่เกิดตายแล้วมีสภาพส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนรกมีท่านก็บอกว่าไม่มีกี่ยวความว่าท่านทำลายความดีของคนทั้งโลก โลคนคิดว่าถ้าตายแล้วมีสภาพโสนก็ไม่ต้องทำความดีชาตินี้จะเลวแสนเลวยังไงก็ได้ทีความวุ่นวายของโลกก็ยะเกิดขึ้นเพราะนักปลาชประเภทนี้และอีกประเภทหนึง่งสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเพราะไม่มีเทว ด, ดาไม่มีอะไรก็ทางนั้นแหละนี่ก็ไว้กัน ถ้าตายแล้วไม่มีจุดลงโทษก็เลยทำในความช่วคก็ได้ใครมีกำลังมากก็คงเห็นคนมีกำลังน้อยคนมีอำนาจมากกค็คงเห็นคนมีอำนาจน้อยคนมีอาวุธมากก็คงเห็นคนมีอาวุธน้อยรวมความแล้วโลกทั้งโลกไม่มีความเป็นสุข แล้วก็พระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างไรใน <c oughs> พระไตรปิฎกเล่มหนึ่งในวินยัยพระไปิฎกเปิดขึ้นไปก็เจอนรกที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเอาแค่เล่มเดียวก็พอพระพุทธเจ้าทรงจัดยืนยันสวรรค์ยืนยันนรกขุมโลกทั้งหมดที่เรารู้นี่รู้จากพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเทศย ว, ว่าเคยไปแสดงปโปรดพระพุทธพระพุธพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดิงสถีวันโลกและวิมอนวัตถุก็พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดไปเยอะอันนี้แล้วก็ทรงยืนยันยังพระโมคัลลานี่เป็นอักษาวกก็สามารถท่องเที่ยวไปนโรกสวรรค์ น, นำข่าวสารมาบอกชาวบ้านที่เป็นญาติ ว่ายายของท่านมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยแบบนี้ยายของท่านมีความสกุก็ผลความดีอย่างนี้เป็นต้นอา น, นิสงค์สมเด็จพระเทสกน์ก็ทรงยืนยัน <c oughs> แล้วก็อย่างในเรื่องของท้าสกกะคือพระอินทร์เช่นท้ามาลีสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องท้าสกกะคือพระอินทร์ อย่าคิดสงสัยว่าพระทเจ้าเห็นเองรู้เองหรือฟังใครก็พูดมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยินยันกับท้ามหาลีว่าท่านไม่ทราบไม่ใช่ทราบแต่เรื่องท้าวมหาลีอย่างเดียวบุญยกรรมที่ท้ามหาลีทําเพราะอะไรจะได้เป็นเออขอโทษไม่ใช่ไม่รู้แต่รเรื่องเขาพระอินทร์อย่างเดียวแพระอินทร์ทำความดีอะไร จึงเป็นพระอินทมีสมบัติขนาดไหนบ้างพระองค์ก็ทรงทราบจึงได้นํามาถึงเรื่องราวของพระอินท์ทั้งหมดอย่างเรื่องของพระมหากระสนในความจริงผมนํามาพูดเนี่เป็นเรื่อง ย, ย่อๆนะนิดๆพระมหากระสนนี่เป็นพระที่ถูกเทวดาต้มและตุนหลายครั้งหลายวาระ เราว่าท่านชอบเข้านิโรธาสมาบัติฉะนั้นเทวดาเมื่ออจานิโรธาสมาบัติคนทำบุญเมียนิสงมากเทวดาที่ได้ย่องมาทำบุญแทนคนใช่นี่รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันและก็ท่านที่อมภากาสาวาทบรรดาขึ้นวิสุทธิสมณีน คนอื่นเขาจะไปยังไงจะช่างท่านอย่าไปสนใจสำคัญพวกเราอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็นะแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผู้มีคุณเพื่อเลี้ยงเราให้มีชีวิตยอยู่ได้เข้าใจความดีของพระเจ้าอย่าทำให้ท่านหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ กรรมของท่านนอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม่ยังทำลายความดีหรืออากตรันยูไม่รู้คุณความดีคนญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านเลี้ยงมาทำให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดท่านต้องลงอบายภูมิคือนักบทเรานี่ท่านเลวเพ่ว่าทำให้มรนไดญ้ญาติโยมลงอบายภูมิด้วยจะดูตัวอย่างตัวอย่างปฏิวัต พระเทวทัตได้ปัญญาห้าในตอ น, ต, อนต้นแต่ในที่สุดตอนท้ายท่านกลายเป็นคนเลวก็พาพักพวกลงอเวจีเป็นแถวท่านมหากรวินแล้วก็ปิละพิคุนี่ก็เหมือนกันตัวท่านเลวก็ทําให้แม่และน้องสาวลงอเวจีด้วยยังอาจจะมีคนอีกหลายคนพระอีกหลายองค์ที่เคารพในท่านปฏิบัติตามท่าน ซึ่งท่านทำลายพุทธศาสนาทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างติดในลาบเสกการะติดในความเป็นใหญ่ที่มีบริษัทปริวารก็รวมความว่าท่านลงอเวจีจีแต่ผู้เดียวไม่พอท่านก็เลยชวนแม่กับน้องอาจจะมีคนอื่นหลายคนลงอเวีจีด้วยฉะนั้นเรื่องการเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ขอทุกคนบรรดา ญ, ญาโยมผู้ถบริษัตวที่นั่งอยู่ที่นี่ น, นําไปแนะนําทุกคนให้มีความเข้าใจการพิสูจน์คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เราทํากันได้แล้วอาตมาในรู้สึกอาญาโยมผุ้ถบริษัตว์ที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่นที่ได้มาปฏิบัติกัน ทุกคนที่มาปฏิบัติกันได้เนี่ยไม่ถึงสี่วันได้เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นหรือเบื่องปลายก็ตามถือว่าความรู้ที่นี่เป็นความรู้เป็ดๆเท่านั้นไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนักรือว่าพอให้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จตถาสมมาสัพทตเจ้า พี่สวดคำสอนพระจ้าพรเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญ น, นั่นก็คือทำดีไปอยู่ทุกติทำชั่วไปโสทุกติเราก็ใช้ทิพยานก็ได้ใช้จุตูปปาติยาน <c oughs> ความจริงจุตูตูตูปปาติยานนี่ก็คือทิกุยานเองจะ่มีความเข้มขน้น สามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนไปสวรรค์หรือไปนรกแล้วนอกจากนั้นยังจะรู้อีกว่าคนและสัตว์ก่อนจะเกิดคนนั้นก่อนเกิดมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอย่างนี้เขาเรียกจุดตัวประปาริยาน เราทํากันได้กระจุมก็จิมก็ะจุมก็จิมเล็กเลนน้อยอย่างนี้ก็ยังสามารถพอรู้ได้แก้สงสัยไม่ใช่พิเศษพิโสที่สองเจโตบริยานยานตัวนี้ก็คือทิพยานเองรู้ว่าระน้งจิตของคนอื่นดูก็แสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสะอาดหรือเขาสกปรกอันนี้เรารู้ได้เหมือนกัน แต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตข้งตนให้เข้าใจชัดจิตข้งปุถุชนคนที่หนานน่นม้ดุกิเลสก็เป็นจิตที่เสือ่อมสีเป็นสีเนื้อเต็ไมได้วยความสุขโปรกโสโครกไม่สะอาดไม่โปร่งใสจิตข้นคนที่ได้ปฐมฌานจะม้วยการเหมือนแก้วเคลือบ แต่ถอยชาละเอียดเมือการแก้วแก้วเป็นเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสักยี่สิ้าเอร์เซตจีเครื่องคนที่ได้ชาในสองจะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซต์จีเครื่องคนที่ได้ชาในสามละเอียดจะเป็นแก้วทั้งดวงจะมีการเล็กๆหยุกสี่แกนเล็กๆอยู่ตรงกลางจีเครื่องคนที่ได้ชาสี่จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมาก แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายแต่จิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายไปประมาณยี่เปอร์ซนต์ใดูจิตฝึกฝึกแต่จิตของพระสีธาคารมีจะเป็นประกายเข้าไปประมาณห้าสบเอร์ซจิตของพระนาคารมีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในถ้าจริงว่าหลานจะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลย อันนี้เป็นสภาพของการดูจิต <c oughs> ที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสสกกบกมากหรือสกกบกน้อยฉะนั้นพอรดยินชื่อคนหรือว่ารู้เรื่องราวของคนเห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเลสอย่างพวกเราเราโกหกได้ แค่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้าดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงทัางแยกไปเป็นหกท่ขอย่อเป็นสามคนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไปถ้าคนมีความสุขพระมิตรมากจิตมีสีแดงมาก เอาคนที่มีความสุขจากอมิตรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนี่สีของจิตแต่คนมีจิตส บ, บายไม่ไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ดีแล้วไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตของบุตรชนคนธรรมดาก็วิธีหน้าสังเกตเจตวิทยา น, นี้ก็น่าจะฝึกฝนเข้าไว ไว้เป็นกระบวนการดูจิตของเราเองว่าสุขะปกมากหรือสุขะปกน้อยถ้าสุขะปกมากพยายามแก้ไขสุขะปกน้อยจะได้ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้เข้าใจว่าตัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ปกเพริวาสานุสติญาณการลึกชาติได้คนจะฝึก ความรู้ทั้งหมดนี่ผมพูดตามแนวแห่งการศึกษาทางหนังสีอแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆให้ถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าอยาถามว่าพระพุทธเจ้านิพานี่แล้วพบได้ยังไงอันนี้ฝึกต้องทําก่อนอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยทำอะไรเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทําอะไรเลยจิตเข้าไม่ถึง ต้ก็คนที่ไม่รู้จักน้ำปลาและสุราเวลานี่สุราและน้ำปลาสีคล้ายกันถ้าเขาเคยดื่มแต่สุราแล้วบอกน้ำปลาเ็มเขาจะไม่เชื่อเขาเคยกินน้ำปลาไม่เคยดื่มสุราแล้วบอกว่าน้ำปลาถ้าเราบอกน้ำปลาเราบอกสุรามันเมาไม่ขินมน้ำปลาเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาเคยกินนั้สองอย่างเขาจะรู้ทั้งสองรส นักศึกษาที่ศึกษาแต่งหนังสีฟังเขาเล่าว่าไม่พบความจริงอันนี้เราจะไปเถียงกับเขาคาว่านักศึกษานี่ไม่ได้หมายถึงศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เป็นอะไรหมายถึงว่านักศึกษาฝ่ายธรรมะผมพบมาเยอะมีหลายท่านชอบพูดถึงเรื่องนิพพานสมัยผมไป น, นักเทศ เขาจะขอให้เทวนิพพานไล่ไปเ ล, ย, ปลยมาคุยไปคุยมาถามว่าสินห้าครบร อ, อยังเขาบอกว่ายังไม่ครบอันนี้ถือว่าจิตยังตกอยู่ในเขตของอับายภูมิก็คุยทำไม่ได้เอาละบรรดาเพื่อนวิสุทธิ์สมณะทั้งหลายสมบรรดาญาโยมพรธตริสัตถ์ข้าเสดหน้า น, นี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล จงมีแดบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี